ส, ส ก, กัจจวัคหมวดว่าด้วยความเคารพสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องพระชพปวี6 0 6สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสูจน์ชพคีฉันพิธบาทโดยไม่เคารพทำเหมือนไม่อยากจะฉันพระบัญญัติหนึ่งพึงทาความสำเนียกว่า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 เจ็ดพิกูุต้นบัญญัติสินค้าบทที่หนึ่งจบ